เปรียบเหมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์และเต็มไปด้วยฐานเพลิงหลุมนี้ย่อมไม่นำความสุขมาสู่ผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายอยู่ก่อนแต่ถ้าหลวงเดินมาตามทางที่จะพลัดตกลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แล้วในที่สุดเขาย่อมสวใจทุกอันเผ็ดร้อนแสนสาหัสอีกทั้งยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วย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 เส้นทางสู่ความเป็นสันนรกคือกับดักที่น่าสะพึงกลัวยิ่งเพราะนารกเปรียบเหมือนจุดต่ำสุดสร้างขึ้นจากพลังกิเลสหนักสุดจึงย่อมมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งไว้เหนี่ยวแน่นที่สุดด้วยสำหรับคนที่เดินทางไกลทั้งร้อนทั้งเหนื่อยทั้งหิวกระหายเกราะซ้ำกาซั์อันใดเล่าจะเท่าพลัดตกลงไปในหลุมทาน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 ทำร้ายร่างกายผู้ส่งศีลหรือผู้มีพระคุณเช่นฆ่าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเตะถีบตบตีพ่อแม่จะด้วยความโกรธแค้นหรือด้วยฤทธิ์น้ำเมาก็าตามและสำหรับศีลข้อแรกนี้ถ้าเป็นพรานป่าหากินเลี้ยงครอบครัวหรือเป็นผู้คุมนักโทษที่มีความชินชากับการเป็นผู้ลงโทษ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 เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 5. เเสพเครื่องเมาถึงขั้นสติขาดเช่นกินเหล้าจนกลายเป็นขี้เมาอลวาดโดยไม่มีความรู้สึกยับยั้งชั่งใจได้เรื่อยๆแม้น้ำหนักการประตุสลายเบาวกว่าที่กล่าวมาแต่ถ้าสั่งสมให้มากจนเกิดกระแสนรกขึ้นในตนเต็มรอบคือมีความร้อนแรงร้ายกาดฝุ่งซ่านพล่านไปในความชั่วได้ทุกวัน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 มาถึงยุคที่บางประเทศอยากให้ผู้กลัวการลงโทษของกฎหมายก็ทำการแขวนคอนักโทษประหารในที่เปิดเผยต่อสาธารณชนใครจะมามงดูหรือกระทั่งเอาหินคว้างอย่างไรก็ไม่ว่าเป็นการเชื่อไก่ให้ลิงดูพอประชาชนเห็นนักโทษแดวดิ้นตาถลนทรมานานานก่อนขาดใจตายก็จะได้ไม่กล้าละเมิดกฎหมายอาญากัน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 ขนาดทาให้ลูกในตานักโทษถลนจากเบ้าแล้วออกมากองบนแก้มได้โดยมากนักโทษมักขับถ่ายของเสียอย่างกุจจระปัสสวะออกมาเรียราดแถมปากอาจพ่นเลือดกับต้าลายทะลักหลังพรางปูออกมาด้วยส่วนเนื้อหนังของนักโทษจะบวมเป่งออกและขยายจนกระทั่งฉีกขาดหลังจากแดงก่ําใกล้เป็นไฟได้ที่